วันนี้เป็นวันที่22พุทสพฤภาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันอาทิตย์ช่วงนี้หยุดวันวิวสาขาบูชาและก็วันเสาร์วันอาทิตย์หยุดหลายวันค่ะเห็นพี่น้องประชาชนมากราบไหว้พระมีหลายกลุ่มหลายหมู่ ต่อเนื่องกันสองสามวันมาจากหลายแห่งหลายหนจากเหนือจดใตเห็นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้ามาสู่วัดวาศาสนาของอ่งเป็นที่สนใจแต่หลวงพ่อเองก็พยายามให้ธรรมะ มพสามบัง่งหนังสือบัง่งให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องคิดว่าจะเกิดประโยชน์ <c oughs> ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าให้ธรรมะคือแนวความคิดให้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นมาตรฐานเป็นสากลเป็นธรรม พิสูจน์มาแล้วหลายยุคหลายสมัยพระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นสวากว า, าตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทก็ยอมรับกันท่วนหน้าที่ว่าเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากวันนำมาดําเนินชีวิตของพวกเรา ตั้งแต่แนวความคิดคิดยังไงแล้วเมื่อทำทำอย่างไรเมื่อพูดพูดอย่างไรถ้าหากว่าพวกเราได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามา <c oughs> เป็นกระจกเงาและเป็นทางเดินของพวกเราเป็นมักคะคือทางเดินของพวกเราแล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว แต่เดี๋ยวนี้บางครั้งเราก็เชื่ออยู่เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มันฝืนกิเลสภายในใจของเราไม่ได้กิเลสความโลภขิ้เกคิดกิเลสความโกรธขี้ขี้เกียกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในจิตใจของมันของเรามืนมันดึงลากลงไปไปสู่ฝ่ายต่ํา ทั้งที่รู้ทั้งรู้แต่ก็ฝืนมันไม่ได้สู้มันไม่ได้จุดนี้ก็เป็นจุดที่หนึ่งจุดหเหมือนกันให้พวกเราสังเกตให้พวกเราศึกษาแต่ถึงยังไงถึงจะเอาชนะกิเลสภายในใจไม่ได้ก็พยายามได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ควรจะตามตลอดถ้าตามตลอดไปว่าเราเป็นบ่อยของกิเลส มันก็ไม่ดีเองเหมือนกันถ้าว่าพวกเราสู้เป็นบางครั้งโอกาสที่เราจะชนะก็ต้องมีในอนาคตแต่ถ้าว่าพวกเราเดินตามหลังมันตลอดเราก็เป็นผู้แพ้ตลอดเราก็เป็นวัวเป็นควายให้กิเลสจงจมูกใจของเราก็เลยโง่กิเลสมันฉลาดกว่าเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ที่พูดทางนี้ทางนั้นให้พวกเราสังเกตสังเกตตนเองเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นทางเดินมาเป็นกระจกเงาสําหรับพวกเราสิ่งนี้เอมันผิดเกินไปใชรไหมบ้างใจของเราเนี่ยมันต่ําซ้ำเกินไปใชรมบางพยายามเบกเบกเอาชนะใจของตอนเองในเมื่อเอาชนะใจตัวเองครั้งหนึ่งได้ ครั้งที่สองก็จะได้ครั้งที่สามก็จะจะเป็นผู้ชนะไปเรื่อยๆทีนะแต่ว่าพวกเราเป็นผู้แพ้นะมันก็จะแพ้ไปโดยตลอดปณิมเกณฑ์ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะด้ให้พวกเราพุทธบริษัทอ่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ามิตรสอนให้พวกเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะ ให้สังเกตตนเองที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นแต่หลวงพ่อเองที่พี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่อวานก็นหลายหมู่หลายคณะเพราะมันเป็นวันหยุดหลายวันติดต่อกันหลวงพ่อพยายามแจกเนี่ยเอสหนังซื้อธรรมะให้กับคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานเอาไปศึกษานะ หลวงพ่อมั่นใจในการแจกหนังสือของหลวงพ่อถ้าหากว่าหลงพ่อไม่มั่นใจหงก็ค ง, งไม่กล้าลงทุนพราะการพิมพ์หนังสือก็พิมพ์เพื่อจะให้กนัชฐาธายาจมได้อ่านพิมพ์ตัวใหญ่กต่างหากเว้นวรรคตอน <c oughs> ดีคือเน้นหนักให้ผู้สูงอายุหรือผู้ น้อยหนุ่มทั้งหลายได้อ่านไม่ใช่จะเน้นแต่เด็กนะผู้สูงอายุด้วยเมื่อผู้สูงอายุอ่านได้เด็กก็อ่านดีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะหะาะนังสือตัว ม, มันโตท้าว่าให้ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเป็นเครื่องสะกิดใจเท่านั้นแหละมันก็อยู่นานเท่านานอย่างเมื่อวาน ผมมากลุ่มหนึ่งหลายคนมาหลายหลายกลุ่มแล้วแหละแต่ว่ากลุ่มหนึ่งที่นั่งแถวหน้าหลวงพอ่อเขาบอกลงมาจากโคราชขอวงพ่อครับผมขอธรรมะหลวงพ่อสั้นๆเพื่อเป็นแนวทางดําเนินชีวิตหลวงพ่อจะให้ผมยังไงก่าวอาราธนาผมมาจาจะโลกาด้วยนะห <c oughs> ลวงพอ่อเอา้าฟัง ธรรมะชั้นๆก็มีแต่ว่าให้พวกเราทุกคนจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามให้มีความอดทนอดทนคันติคือความอดทนถ้าว่าพวกเรามีความคันติคือความอดทนอยู่ณสถานที่ใดอยู่กับเพื่อเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้า สามีภรรยาลูกหลานทุกคนถ้าทุกคนมีขันติคือความอดทนมีอะไรเกิดขึ้นให้ดูให้ความอดทนในจิตใจดีความอดทนตลอดในที่ทุกสถานดีทั้งนั้นถ้าหัวคนไม่มีขันติคือความบุกคลมีอะไรกับขันแตกไปเรื่อยจีพายเอาพ่อหลวงพ่อให้กติธรรม แกศรัทธา ญ, ญาติโจมเขาว่าเขาต้องการย่อๆใชหลวงพ่อก็เลยบอกคันติคือความอดทนถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ต้องมีขันติเหมือนกันลูกน้องบริวารก็มีขันติต่างคนต่างมีขันติคือความอดทนอยากจะโกรธโกรธทําไมมันได้อะไร ทุกสิ่งทุกอย่างาที่สิ่งที่มันไม่ดี เ, เราต้องดูต้องมีความอดทนในใจถ้าหากว่ามีความอดความทนในจิตใจแล้วนะออยากอื่นก็ค่อยเป็นค่อยไปเท่านะีา้ถ้าหากว่ามีขาดขันติคือความอดทนเสอย่างเดียวอทําอะไรโมโหโกธาดปล่อยหมัดปล่อยมวยออกไปนะเสียหายทั้งหมดเลยเท่านะี้เอพ อ, อไรเพราะ ขาดขันติคือความอดทนเพราะฉะนั้นเรื่องขันติคำนี้น ะ, ะต้องสัมปยุต ด, ด้วยปัญญาด้วยการขันติของเราเนี่มันมีประโยชน์ไหมไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ใกล้ลังต่อลังแตนแล้วก็ตอกแตนต่อยขันติขันติขันต <laughs> ิต่อแตนต่อยมดกัดก็ยังมีขันติขันติ เอออันนี้ประวันติโง่เอออันนี้เปรียบเทียบให้ฟังอย่างสุดโต่งนะออว่าขันติคํานี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ไหมออที่เราจะได้ใช้ขันติ อ, อ่มันจะเกิดโทษไหมในเมื่อเราใช้ขันติเอออันนี้ก็สัมปยุทธ์ด้วยปัญญาเหมือนกันนะออทุกอย่างนั่นเราใช้ปัญญาออปัญญาตัวนี้เราใช้ไปเนี่ยมันเบียดเบียนตนและผู้อื่นไหม ถ้าเราเราใช้ปัญญาไปหาซื้อปืนผาหน้าไม้มาเนี่ยเราไปฆ่าเขาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันจะติดคุกนะจะว่าโลกอนนี้มันไม่มีนั่นนะกรรมนะมันตามสนองนะถึงจะสนองในชาตินี้ไม่ได้กับชาติต่อไปนะมันจะสนองเราเราคิดถูกหรือยังในเราทําอย่างนีเ้เราต้องใช้ปัญญาอีกหลายหลายหลายหลยขั้นตอน จากนั้นเราก็เบรกใจของเราเอ้ยถึงเราจะไม่ฆ่าเขาก็ตายเราก็ตายเหมือนกันนะ่ะจะไปฆ่าให้เป็นบาปเป็นกรรมทำไมเอจะไปทำความชั่วให้เสียหายทาไมเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาสัมมาทิฐิปัญญามิชชาทิฐิเอแต่โดยมากมันผู้ตุชนชาวบ้านของเรานะ่ยปัญญามิจชาทิฐิให้ น, นาหน้าปัญญาสัมมาทิฏฐินี่ตามหลังฮะ โดยมากไม่ค่อยจะทันกันแต่ถึงยังไงก็จะถ้าว่าเราทันไปสักครั้งหนึ่งต่อไปเราก็จะเบตรกตัวเองได้ไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือปัญญาความเพียรก็เหมือนกันถ้าเราเพียรเพียรไปเพื่ออะไรเนี่ยเพียรไปเพื่อจะทำความช่วใช่ไหมหาโอกาสจุงกัดกอดอยู่อย่างนั้นพอพยายามความเพียรมันดีไหมความเพียรของเราเนี่ยทำให้มีเราจะทาทาไม เป็นทางไปสู่นรกนะเพียรแบบนี้ถ้าเพียรนั่งภาวนาพยายามทำจิตใจให้สงบนั่งอดทนถึงจะร้อนถึงจะหนาวจึงอะไรก็อดทน เ, เพื่อหาทางพ้นทุกข์อันนั้นประว่ติเพียรไปในะในทางสัมมาทิฏฐิ เ, เพียรไปทางมิจฉาทิฏฐิก็มนะีเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือให้สัมปยุต ด, ด้วยปัญญาทั้งหมดนะลูกหลานคณะสัทธายา จ, จม แต่ลุงพ่อพูดตั้งนี้ให้ฟังก็เป็นแนวความคิดของพุท ธ, ธะท่านไม่ให้ใช้อความไม่รอบครอบความโง่นะชอบโง่คือคือเป็นกิเลสแต่มันกิเลสจะว่าความโง่ทีเดียวเขาไม่ใช่นะกิเลสมันฉลาดนะอพอมันอยู่เข้ามาอยู่จิตใจของคนนะทำให้คนโง่อพอกิเลสมันครอบงา เพราะนั้นเราจึงเอาธรรมธรรมะธรรมคาสอนของพุทธะ เ, เข้ามาเป็นเครื่องเสริมใจของเราในเมื่อเอาธรรมะเข้ามาเสริมเราเราจะมองเห็นกิเลสกิเลสภายในใจของเราในเมื่อเราเห็นกิเลสแล้วกส ก, กัดออกไปทีละน้อยละน้อยละน้อยผลที่สุดก็ใจของเราครบบริสุทธิ์ได้นะ <c oughs> วันนี้ตรงพอให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราตอนนี้ไปพระสงฆ์ อนุโมทนาให้พรรับพร น, นะ